เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่15เมษายนพุทธศักราช2551ยยังเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงการานต์อยู่ญาติโยมจึงมีเวลาว่าง ไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ใช้เวลาว่านี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์โดยมาบำเพ็ญประโยชน์สุขส่วนตนและส่วนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นพระปัชชิมโมวาดของพระพุทธเจ้าของพระบรมศาสดา ที่ก่อนจะทรงเสด็จดับขันธปณิพานางจากพวกเราไปได้ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะว่าชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมีขอบิเค ไม่เหมือนกับตันหาความอยากของพวกเราที่ไม่มีขอบไม่มีเขตเราจึงต้องยึดหลักของสังขารที่ไม่เที่ยงนี้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่าปล่อยให้ตันหาความอยากต่างๆของเราที่ไม่มีขอบมีเขตมาเป็นตัวผลักดันผักใสให้เราไปแสวงหาราบยศสารเสริญสุด ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นยังไม่รู้สึกตัวว่าจะตายเมื่อไหร่บางคนทมหากินแทบเป็นแทบตายได้เงินมายังไม่ทันได้ใช้เลยก็ตายไปเสียก่อนนะเพราะไม่ได้คำนึงถึงหลักของความจริงของสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองคำว่าไม่เที่ยงนี่ก็หมายความว่าตายได้ทุกเวลา จะตายเวลาไหนเท่านั้นเองจะตายเช้าตายกลางวันตายเย็นหรือตายกลางคืนมันก็มีแค่นี้ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าตนเองจะตายเมื่อไหร่อยากจะอยู่ไปถึงอายุร้อยปีก็อยากได้แต่จะอยู่ได้หรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ตามความอยากแต่อยู่ตามความจริงสังขารของพวกเรานี้มีบุญมีกรรมเป็นผู้พามา เป็นผู้สร้างมาเป็นผู้ทำนุบํารุงดูแลรักษาถ้าบุญมากบาปน้อยก็จะอยู่นานถ้าบุญน้อยบาปมากก็จะอยู่ไม่นานดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้บางคนเกิดมาออกจากท้องแม่ก็ตายแล้วก็มีหรือบางคนยังไม่ทันออกมาอยู่ในท้องตายไปก็มีอย่างนี้แสดงว่าบุญน้อยมากทาบาปมามาก ส่วนพวกที่อยู่ไปถึงอายุร้อยปีนี่ก็เป็นพวกที่ทาบุญมากบาปน้อยแต่เราไม่รู้ว่าในอนดีตเราได้ทาบุญทาบาปมามากน้อยเพียงไรเราจึงต้องถือหลักว่าไม่มีอะไรแน่นอนเราอย่าไปคาดว่าเราทาบุญมามากเราจะอยู่ไปจนถึงแก่เท่าไว้รอแก่เท่าแล้วค่อยมาทาบุญค่อยมาเข้าวัด ค่อยมาปฏิบัติรรมถ้าคิดอย่างนี้ทางาศาสนาถือว่าเป็นความประมาทเพราะว่ามันไม่ได้แน่นอนตามที่เราคิดเสมอไปเราต้องคิดเผื่อไว้คิดเผื่อว่าวันนี้เราอาจจะตายไปตอนไหนก็ได้ไม่มีใครรู้ดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจึงไม่ควรปล่อยเวลาอันมีค่าอย่างยิ่ง ของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากที่สองส่วนนี้จะมาพบกันในเวลาเดียวกันคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของยากอยู่มากการปรากฏของพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งก็เป็นของยากอยู่มากและเมื่อสองของยากทั้งสองส่วนนี้มา มาเจอกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอย่างยิ่งของพวกเราแต่ถ้าพวกเราไม่รีบตักตวงโอกาสอันดีงามนี้ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เป็นพระาอาริยบุคคลได้เป็นพระอารหันต์ไปกันก็จะสื่อว่า เป็นการเสียชาติเกิดไม่ได้กำไรแล้วยิ่งถ้าไปทำบาปทำกรรมยิ่งเป็นการขัดทุนเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ไปสู่จุดสูงสุดตามาพระบรมศาตดาแต่กลับไปทำบาปทำกรรมแทนที่จะขึ้นสูงกลับจะต้องตกลงต่ำไปสู่อบาย ไปใช้โทษเหมือนกับไปติดคุกจนกว่าจะหมดโทษหมดกรรมถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกเมื่อกลับมาแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีพระศาสนาคอยสอนคอยชี้ทางอีกหรือไม่เพราะพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทนายพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมีอายุ ป, ประมาณ 5,000 ันปีนี่ก็ผ่านมาแล้ว2 5 0พกว่าปี ผ่านมาครึ่งทางแล้วหรืออีกครึ่งหนึ่งก็จะหมดไปคำว่าหมดนี้ไม่ได้หมายคำว่ า, าศาสนาหมดไปหายไปแต่ผู้ที่สนใจศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติผู้ที่จะบรรลุและผู้ที่จะมาสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมคำสอนจะหมดไปนั่นเองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอมะตะเป็นอากาลิโก ไม่สูญไปตามกาลตามเวลาแต่ผู้ที่จะนำเอามาเผยแร่สั่งสอนให้กับผู้อื่นนั้นจะหมดไปเมื่อหมดไปก็ต้องรอให้มีพระโพธิสัตว์รูปใหม่มาตัสรุมาเป็นพระพุทธเจา้าแล้วก็มาประกาศสั่งสอนพระธรรมคำสอนอีกครั้งหนึ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาพระองค์ทรงมาประสูติเป็นพระราชโอรสแล้วหลังจากนั้นก็ได้เสด็จออกบวชปฏิบัติ ธ, ธรรมถึงหกปีด้วยกันจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงประกาศพระาศาสนาจึงปรากฏมีพระาศาสนา มีพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่จะมีไปอีกไม่นานต่อไปก็จะหมดเมื่อหมดแล้วก็เป็นเหมือนกับโลกที่อยู่ในความมืดศาสนานี้เป็นเหมือนกับแสงไฟแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาปเห็นบุญเห็นการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มี พระศาสนาแล้วก็เปรียบเหมือนกับไม่มีแสงสวา่างเราก็จะอยู่ในที่มืดใจของเราจะมืดบอดจะไม่เชื่อจะไม่เห็นในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเป็นดังนั้นก็จะใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกที่ไม่ควรส่งผลให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีก ไม่รู้จักจบจากสิน้นต่างกับพวกที่ได้มาประสบพบกับพระศาสนาแล้วมีความเชื่อมีความศรัทธานำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปบำเพ็ญไปปฏิบัติจนตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ และมาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เจอพระศาสน า, สนาก็ไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็จะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาปไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องมีพระพุทธศาสนาด้วยหรือถ้าเกิดมามีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เช่นเกิดเป็นสุนัขเป็นแมว ที่มาอยู่ในวัดก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเพราะแมวรู้สุนักนี้ไม่เข้าใจคําหมายของคําสอนซึ่งเป็นภาษาของมนุษย์ต้องเกิดเป็นมนุษย์ด้วยและต้องพบกับพระพุทธศาสนาด้วยดังที่พวกเราได้มาพบกันในขณะนี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วในบรในบรรดาโอกาสทั้งหลาย จะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วหรือมีก็จะยากเย็นมากเพ ร, ะ ร, ะระาะศาสนากว่าจะมาปรากฏแต่ละค่งนี้ทิ้งเวลาว่างกันเป็นกับเป็นกันกับหนึ่งนี้ท่านว่ามันยาวแสนยนะยาวถ้าเขียนด้วยเลขศูนย์นี่ก็ยาวมากนับไม่ท่วจำนวนของเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วตามด้วยเลขศูนย์แบบนับไม่ท่วปีคิดดูกันแล้วกันว่า มันยาวนานสักแค่ไหนที่จะมีแสงสว่างแห่งธรรมมานำทางพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นเราจึงควรตักตวงโอกาสนี้ดังโบราณที่พูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองตอนนี้น้ำกำลังขึ้นอยู่รีบตักน้ำใส่ตุ่มใส่ถังไว้เพราะ วันข้างหน้าเมื่อน้ำลดแล้วเราจะได้มีน้ำใช้ต่อไปได้เพราะเราเก็บไว้ในตุ่มในถังนั่นเองถ้าเรามัวประมาทไปเล่นไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปสนุกสนานเฮฮาไม่ตักตวงประโยชน์ที่พึงจะได้รับพอถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรติดตัวไป ไม่ได้ยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้พบชาติให้น้อยลงไปกับสร้างพบชาติให้มีมากขึ้นไปอีกตามความหลงตามความสนุกสนานเฮฮากินเหล้าเมายาเที่ยวเตะหาเงินหาทองซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆมาบำลงมาบำลงบำเลอกกิเลสตัณหา เป็นการกระทำที่มีแต่เสียอย่างเดียวเป็นการขาดทุนถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมัวแต่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ปฏิบัติทรมกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้เรามีความภาคเพียรอยู่ในสีสถานด้วยกันหรือสีลักษณะด้วยกันคือลักษณะแรกให้ ภาคเพียรสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีที่เรายังไม่ไม่ได้ทำให้เกิดขึ้น 2. ให้รักษาความดีรักษาบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วให้คงไว้อย่าให้เสื่อมไป 3. ให้ละบาปให้ละการกระทาที่ไม่ดีทั้งหลายให้หมดไปและส เพียรป้องกันไม่ให้บาปและการกระทาที่ไม่ดีต่างๆที่เราได้ละแล้วนั้นหวนกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรการบำเพ็ญที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้เช่นการทำความดีที่เรายังไม่ได้ทำมีอะไรบ้างถ้าเรายังไม่ได้ใส่บาตรเป็นประจำนานๆจะใส่สักครั้งหนึ่ง เราก็มาใส่ให้มันเป็นประจำเช่นในเบื้องต้นอาจจะใส่ทุกวันพระหรือถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีพระเราก็เอาเงินที่เราจะซื้อข้าวปลามาใส่บาตรนี้ใส่ไว้ในกระปุกไว้ก่อนก็ได้ไว้เมื่อเวลาเรามีเวลาว่างเราไปวัดเราก็นำเอาไปถวายวัดให้เป็นค่าอาหารของพระภิกษุสามเณร ก็ถือว่าเป็นการได้ใส่บาตรเหมือนกันถ้าเราได้ใส่บาตรทุกวันพระแล้วต่อไปเราก็ขยับขึ้นไปใส่บาตรทุกวันคือทําให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีแต่ผลดีมากขึ้นไปเท่านั้นการทําบุญการปฏิบัติธรรมการลาบบาตตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไม่มีโทษกต่อผู้ปฏิบัติเลยมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียวดังนั้นขอให้เราสร้างความดีที่เราไม่ได้มีไว้นั้นให้ปรากฏขึ้นถ้าเรายัางไม่มีความกระตันอยู่พอเพียงเราไม่ได้ไว้พ่อวหวแม่ทุกเช้าทุกเย็นก็ขอให้เราไว้พ่อวหวแม่ทุกเช้าทุกเย็นถึงแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกัน ก็ขอให้เราไหว้แล้วก็ลํำลึกถึงพระคุณของท่านเพราะถ้าเราไม่ไหว้แล้วเราจะลืมบุญคุณได้เพราะชีวิตของเราจะมีภารกิจการงานมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆมาฉุดากให้เราไปเกี่ยวข้องให้เราต้องไปแก้ปัญหาไปทำอะไรต่างๆจนทำให้เราลืมถึงบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเรา คือพ่อและแม่ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพังตามมีตามเกิดอย่างนี้ก็จะถือว่าขาดความกตัญญูกตัตเวทีดังนั้นเราควรจะกราบไหว้พระพ่ อ, พอทุกเช้าทุกเย็นหลังจากที่กราบพระแล้วก็ให้กราบพ่อกับแม่เพื่อเราจะได้นึกถึงพ่อถึงแม่เมื่อเรานึกถึงพ่อถึงแม่แล้วเราจะได้ คิดไปเยี่ยมเยียนท่านคิดหาข้าวหาของหาอะไรไปให้กับท่านถ้าเราไม่กราบเลยเราจะหลงจะลืมได้แล้วเราจะมาเสียใจภายหลังเมื่อมาทราบว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งและไม่มีใครดูแลต้องทุกข์ยากลำบากแต่พวกเรากรับสนุกสนานเฮฮากัน เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อความกตัญญูกะตะเวทีนี้เองดังนั้นเมื่อเรามีเวลาเมื่อเรามีเวลาเราก็ควรที่จะไปเยี่ยมเยียนเอาข้าวเอาของไปให้พ่อให้แม่มีมากมีน้อยก็ไม่สำคัญอะไรสำคัญที่น้ำใจขอให้แสดงออกเท่าที่เราจะสามารถแสดงได้ นี่ก็คือการทำความดีอย่างหนึง่งส่วนอย่างอื่นก็มีหลายอย่างด้วยกันนอกจากการทำบุญให้ทานแล้วก็มีการรักษาศีลหรือเป็นการละบาปนี่เองรักษาศีลก็ถ้าเรายังไม่เคยรักษาเลยเราก็ลองมารักษากันดูเบื้องต้นก็รักษากันทุกวันพระไปก่อน แลเมื่อรักษาได้ศีลห้าข้อแล้วต่อไปก็รักษาทุกๆุกวันไปส่วนวันพระก็เพิ่มเป็น8ดข้อแล้วถ้าเรารักษาได้มากกว่านี้จะรักษาศีลสอินเ27ออกบวชเป็นพระก็ได้หรือจะถือศีลสิบออกบวชเป็นแม่ชีแม่ขาวก็ได้นี่ก็เป็นการเพิ่มความดีหรือละบา ที่มีอยู่ในตนให้เบาบางลงไปนอกจากบาปแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็คืออบายอย่างลูกต่างๆก็ควรจะละเช่นกันเช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการความเกลียดคร้านการครบคนไม่ดีเป็นมิตรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมีอยู่ในตัวเรา ถ้าเราเคยเสพสุรายามเมาก็ลดจำนวนลงไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเลิกทันทีทันใดกินเท่าที่จำเป็นกินเพราะสังคมบังคับเช่นต้องไปงานแต่งงานไปงานอะไรกันเขาก็ต้องมีการดื่มกันบ้างอย่างนี้ก็ดื่มไปก่อนส่วนถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปหาเรื่องมามาดื่ม เช่นบางทีอยู่เฉยๆรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาก็หาอะไรมาดื่มสักหน่อยอย่างนี้เรียกว่าดื่มโดยไม่มีเหตุก็พยายามลดมันไปหรือวันพระก็พย า, า, ายามลดอบายมุกต่างๆไม่กระทาถึงแม้จะมีงานมีการก็จะไม่ไม่ดื่มในวันนั้นถ้าเขาถามก็บอกเขาไปเลยว่าเป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นจาก อาบายามุกทั้งหลายเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปอายเขาการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้าแต่การปฏิบัติฝืนกับคําสอนต่างหากที่เป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าแต่เนื่องจากมนุษย์เราทุกวันนี้ถูกความหลงครอบงำ จนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไปกับเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสังคมคนที่ไม่ดื่มกลับเป็นคนแปลกประหลาดไปเพราะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็จะรู้ว่าการดื่มสุรายาเม า, านี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษ หนึ่งต้องเสียเงินเสียทองสองต้องเสียเวลาดื่มเมื่อดื่มแล้วก็เมาเสียสติเมื่อเมาแล้วก็นอนหลับตื่นสายก็ไม่ได้ไปทำงานทำการขาดงานขาดการถ้าขาดบ่อยๆก็จะต้องถูกเขาไล่ออกจากงานไปแล้วยังต้องมาเสียสุขภาพร่างกายอวัยวะต่างๆก็จะชำรุดทรุดโทรม อย่างรวดเร็วชีวิตก็จะไม่ยืนยาวนานนี่คือผลเสียของสุรายาเมาไม่มีใครพูดกันเลยมีแต่พูดว่าดื่มแล้วดีดื่มแล้วทำให้รัฐบาลมีรายได้เก็บภาษีแต่เงินที่จะต้องมารักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษสุรา เรือหลังนี้มันมากกว่ารายได้ที่ได้รับมาและเสียค่าเสียหายต่างๆจากคนที่มึนเมาแล้วไปประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆขับรถก็ไปประสบกับอุบัติเหตุทำให้คนตายทำให้ทรัพย์สมบัติเสียหายสิ่งเหล่านี้เป็นผลเสียที่ไม่มีใครมองกัน มองแต่ผลได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะว่าขาดแสงสว่างแห่งธรรมถึงแม้จะมีาศาสนาแต่ก็ไม่เข้าหาก็เป็นเหมือนกับไม่มีาศาสนาพวกนี้จึงเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วขาดทุนไม่มีโอกาสที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมารับแสงสว่างของพระอาทิตย์เพื่อให้ ดอกบัวนี้เบิกบานขึ้นมาได้เลยก็จะตายเป็นอาหารของปูของปลาไปไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้เป็นได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะ ต, ต้องวนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้น เราจึงควรที่จะมีความขยันหมั่นเพียรในการทำความดีที่เราไม่มีให้มีขึ้นและให้เรามีความหมั่นเพียรรักษาความดีที่เรามีแล้วให้คงอยู่ต่อไปเราเคยทำความดีอย่างไรให้ทำต่อไปอย่าให้น้อยลงไปให้มากขึ้นได้แต่อย่าให้น้อยลงไป ส่วนบาปกรรมการกระทำไม่ดีต่างๆก็ให้มันน้อยลงไปอย่าให้มันมากขึ้นสิ่งใดที่เราเลิกได้แล้วละได้แล้วก็อย่าหวนกลับไปหามันอีกเลิกดื่มสุราได้แล้วก็อย่ากลับไปอีกเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกความเกลียดคาราได้แล้วก็อย่าหันกลับไปอีกเลิกคบกับคนไม่ดีได้แล้วก็อย่ากลับไปอีก คนไม่ดีในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันมีความเกียดครานนี่เองในทางศาสนาถือว่าเป็นคนไม่ดีจะมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อเราถ้าเราคบค้าสมาคมกับเขาเขาก็จะชักจูงให้เราไปทำในสิ่งที่เขาชอบทำเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไปเที่ยวกลางคืนเราก็จะเสียหายเพราะเราจะเกรงใจเขาเราก็ต้องไปกับเขาเมื่อไปกับเขาแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่ไม่ดีและจะติดเป็นนิสัยไปต่อไปเขาไม่ชวนเราก็จะชวนตัวเราเองไปเพราะไม่ว่าอะไรก็ตาม เมื่อทำไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปทำครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะทำอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำอีกครั้งก็จะทำอีกครั้งไปเรื่อยๆคนถึงติดสุรายาเมากันเพราะว่าไม่ได้กินครั้งเดียวนั่นเองตอนต้นก็บอกเอาดึ่งครั้งเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรหรอกพอดื่มครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวก็มีครั้งที่สองมาเมื่อมีครั้งที่สองก็มีครั้งที่สามีครั้งที่สี่ตามมาจนกลายเป็นนักไม่ท้วน ว่ามีกี่ครั้งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราระมัดระวังอย่าประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆว่ามันไม่สำคัญอะไรเพราะเมื่อทำไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เช่นก้นบุหรี่ก้นเดียวสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ถ้าปล่อยให้มันลุกลามไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ขยายขอบเขตกว้างใหญ่ภัยสารออกไป ังใดการกระทำที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับการกระทำความดีเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปคิดว่าไม่สำคัญบางทีเราอยากจะทำบุญแต่เราบอกว่าเรามีเงินไม่มากไม่อยากจะทำเลยอายเขาอย่างนี้ก็ไม่ควรเรามีมากมีน้อยเราก็ทำไปเถิดเมื่อทำแล้วต่อไปเรามีมากขึ้นเราก็จะทำมากขึ้นไปเอง พอเมื่อเราทำแล้วเราก็จะเกิดติดนิสัยตามมาแล้วเราก็อยากจะทำอีกอยากจะทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะทำได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือหน้าที่ของเราหรือภารกิจของเราที่เกิดมาในโลกนี้มาเพื่อตักตวงประโยชน์ส่วนตนของเราก่อนแล้วก็ ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นตามลำดับต่อไปหรือบางทีก็ทำไปพร้อมๆกันเช่นการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นการทำประโยชน์ให้ทั้งสองส่วนคือตัวเราก็ได้ประโยชน์ผู้รับทานก็ได้ประโยชน์สิ่งของต่างๆที่นำมาถวายพระภิกษุสามเณรก็เป็นประโยชน์ในการดำรงชีพผู้ที่ให้ก็ได้บุญได้กุศล ได้ความสุขใจได้ความอิ่มเอิบใจได้ชนะความตณีชนะความเห็นแก่ตัวชนะความโลภทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองส่วนส่วนตนและส่วนท่านจึงขอให้เราพยายามปฏิบัติกันเมื่อมีเวลาว่าง อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้ละบาปไม่ได้ปฏิบททัติธรรมเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีประโยชน์มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของเราเท่ากับบุญกุศลเท่ากับการละบาปเท่ากับการปฏิบททัติธรรมนี่แลคือเพชรี่แท้จริงเราเรียกว่าสรณะนะันตนะ ไตรนี้เองก็คือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นพุทธธรรมธรรมังสังขังสระนันกฉามิของพวกเราเป็นพระรัตนไตรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆใดในโลกนี้ท่านจึงเรียกว่ารัตนะรัตนะแปลว่าแก้วหรือแก้วแหวนเพชรนินจินยาต่างๆนี่เอง แต่เป็นแก้วที่ไว่เศษกว่าแก้วต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จึงขอให้เราจงมีความยินดีที่จะปฏิบัติขอให้เรามีความยินดีที่จะอดทนอดกลั้นต่อการปฏิบัติที่ยากลาบากแต่ก็ไม่สุดวิสัยในเบื้องต้นอาจจะยากจะอาจจะลาบากบ้าง แต่เมื่อได้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วจะรู้สึกขาดอะไรไปต้องทำทุกวันจึงขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้คือการทำประโยชน์ตนและผู้ประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ